ทรงพระองค์ลงมาเป็นมหาระชินีสิริชมทรงสมพูสงาผูพระบารม สำรานนาน